มีเงินแต่ไม่มีสง่าราศีไม่มีความอยากใจไม่มีความอยากสลักไม่มีความสุขไม่มีใครให้รู้สึก อ, อกอุ่นไม่มีความมั่นใจถ้าจะตายแลว่าเงินที่มีอยู่นั้นไม่ใช่อะไรมากไปกว่าเหยื่อล่อให้มาผิดทางเมื่อเชื่อเรื่องกรรมและวิบาก คนเรามักสนใจว่าทำกรรมใดถึงจะรวยทำกรรมแบบไหนจะได้คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่ยิ่งถ้าทำเดี๋ยวนี้รวยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอไปจนถึงชาติหน้าก็จะยิ่งสนใจกรรมรวยลัดดังว่านั้นเป็นพิเศษกรรมที่น่าสนใจแท้แต่คนกลับไม่ค่อยสนใจคือกรรม ที่ช่วยให้รู้สึกรวยความรู้สึกรวยจริงๆจะเปล่งประกายออร่าแบบคนรวยจะเต็มใจจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายจะเห็นตนเองมีเหลือเฟือพอจะแบ่งปันจะเกิดความสุขทางใจอยู่เป็นปกติจะแวดล้อมด้วยบุคคลอันเป็นที่รักจะรู้ตัวว่ามีพอใช้ไปจนถึงชาติหน้า กล่าวโดยย่นย่อได้ว่ากรรมรวยรัดให้ผลเป็นทุกข์กรรมที่ช่วยให้รู้สึกรวยให้ผลเป็นสุขกรรมรวยรัดได้แก่เจตนาเล็งผลตอบแทนจิตจดจอ่อกับเงินคิดแบบฉลาดเก่งกำไรลงทุนน้อยหวังผลมากในทางโลกคือรู้ใจตลาด เอาใจตลาดเก่งให้สิ่งที่ตลาดต้องการได้ถูกจุดถูกเวลาในทางธรรมคือรู้แหล่งบุญใหญ่ประรูปใดเป็นอริยะวัดใดมีพระดีมากตั้งความเชื่อไว้ว่าถ้าช่วยให้แหล่งบุญใดรุ่งเรืองเร็วได้ฐานะในชีวิตตนก็จะรุ่งเรืองเร็วด้วยข้อดีของการรวยลัด คืออาจได้ในสิ่งที่อยากได้แต่ข้อเสียคือกําไรยิ่งมากความคิดยิ่งงกลงทุนสิบเก่งจะเอาร้อยถวายน้อยแต่คิดจะเอาใหญ่ใจยังหิวเติมเท่าไหร่ไม่เต็มตัวเลขในบัญชีหลอกตาว่าน้อยร่าไปขับดันให้อยากรวยยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันซึ่งนั่นก็เท่ากับ ไม่รู้สึกว่ารวยสักทีส่วนกรรมที่ทำให้รู้สึกรวยได้แก่เจตนาเลงความอิ่มใจของตนเองสุขกับความโล่งเบาอันเกิดจากการให้เปล่าเล็กๆน้อยๆหรือสนุกกับการช่วยให้คนอื่นได้รู้มากขึ้นได้คิดมากขึ้นเรื่อยๆลงแรงกายเท่าไหร่หวังผลทางใจเท่านั้น ยิ่งให้มากยิ่งรู้สึกหมีมากเหลือเฟือ่อข้อเสียของกรรมที่ทำให้รู้สึกรวยคืออาจขาดทุนกำไรทางการเงินแต่ข้อดีคือใจอิ่มไม่หามาเติมก็รู้สึกเต็มซึ่งก็เท่ากับรู้สึกว่ารวยแล้วนั่นเองอันหนึ่งการขาดทรัพย์ที่ต้องการ การจำใจกู้หนี้ยืมสินการจำเป็นต้องตากหน้าไปพึ่งพาคนอื่นล้วนเป็นคลื่นรบ ก, กวนจิตใจเป็นความขาดแคลนของจริงภายนอกที่แกล้งทำเป็นรู้สึกเต็มอิ่มที่ภายในไม่ได้ถ้ารู้ตัวว่าไม่มีเงินอย่าทำบุญแบบต้องใช้เงินอย่าเชื่อใครว่ากู้เงินมาทำบุญแล้วจะได้บุญ ให้หาทางทำบุญด้วยการใช้แรงกายเช่นกวาดลานวัดล้างห้องน้ำสงฆ์หรือหาวิธีสร้างบุญด้วยการออกแรงสมองเช่นช่วยสอนเด็กอนาถาช่วยพัฒนากิจกรรมคนชราเมื่อทำบุญแบบนี้อยู่ถึงแม้ยังทุกข์กับการไม่ค่อยมีทรัพย์ก็จะรับรู้ถึงความสุขที่แทรกตัวเข้ามาอย่างไม่รวย แต่รู้สึกว่ามีมากขึ้นกว่าเดิมไม่ยากจนเท่าที่ความขาดทรัพย์บีบให้รู้สึก